สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพเยซูตอนที่522เรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่27พี่น้องครับก่อนอื่นผมขอทบทวนเมื่อวานนี้นะครับในบทที่8ของพระธรรมฮีบรูนั้นแท้จริงเป็นเรื่องที่2ของการดีกว่าของพระเยซูนะครับเรื่องแรก อยู่ในพระธรรมฮีบรบทที่สถึงบทที่เจ็ดผู้เขียนฮีบรูเรบอกว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นมหาปรหิตที่ดีที่สุดพอมาถึงบทที่แปดครับผู้เขียนฮีบรูกําลังบอกกับเราว่าพระเยซูทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาที่ดีที่สุดประการต่อไปพระเยซูจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติในวิสุทธิสถานดีที่สุดในบทที่เก้าและประการต่อไปพระเยซู ได้ถวายเครื่องบูชาที่ดีที่สุดอันนี้อยู่ในบทที่เก้าข้อที่สิบสามจนถึงบทที่สิบครับข้อที่สิบแปดและสุดท้ายเปเยซูทรงประธานรีบยื่นพระสัญญาที่ดีที่สุดอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่สิบจนถึงบทที่สิบสองทครับนี่คือการทบทวนเปเยซูดีกว่านะครับในสี่และสุดท้ายห้าด้านด้วยกันพี่น้องครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่า แต่ละข้อแต่ละข้อของฮีบรูบทที่แปดข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่เจ็ดนะครับผมจะพยายามอธิบายด้วยคำที่ง่ายๆเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจพิรำคบฮีบรูบทที่แปดข้อที่หนึ่งกล่าวว่าบัดนี้ในเรื่องที่เราพูดมาแล้วนั้นข้อสรุปก็คือเรามีมหาปุโรหิตอย่างนี้เองผู้ได้ประทับณนะเบื้องขวาพระที่นั่งแห่งผู้ทรงเดชะรูปภาพในสวรรค์พิรำคาว่าสรุปนั้น แปลว่าสาระสำคัญหรือโดยย่อนะครับมหาปุริศของเราซึ่งเป็นตามอย่างเมลคีเสเดกนั้นได้ประทับนเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพในฟ้าสวรรค์พี่น้องตรงนี้เนี่ยกลับไปคิดถึงฮีบรูบทที่หนึ่งครับบทที่หนึ่งข้อหนึ่งข้อสามเรารู้ว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าแท้ครับ ในขนณะเดียวกันครับริษัทุภาพของพระองค์ก็ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นหมายความว่าพระองค์กับพระบิดานั้นเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ภารกิจต่างกันพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่อเป็นมหาปุโรหิตนะครับตามแบบอย่างของเมลคีเสด็กในเวลานี้พระเยซูได้ทรงสถิตอยู่งาเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาผู้ทรงเดชารูปภาพในสวรรค์หลังจากการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หลังจากที่ ถูกตึงบนไม้กางเขนหลังจากที่ได้เป็นขึ้นเป็นความตายพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ครับประทับณเบื้องขวาพระหัตของพระเจ้าอย่างเป็นทางการพี่น้องครับเน้นว่าอย่างเป็นทางการนะครับพระบิดานะทรงถูกเรียกว่าผู้ทรงเดชานุภาพนะครับพระเยซูทรงเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระบิดาเพราะฉะนั้นความเหนือกว่าของพระเยซูนะครับเหนือกว่าสิ่งทุกสิ่งในโลกนี้ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างนั้น ปรากฏอยู่ตรงนี้นี่เองในข้อที่สองครับเรารู้ว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจในสถานที่ที่บริสุทธิ์หรือพรเพื่อว่าในวิสุทธิสถานและอยู่ในพักพลาแท้ซึ่งองค์พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ไม่ใช่มนุษย์ตั้งพี่น้องครับถ้าถามว่าพระเยซูทําอะไรอยู่ในเวลานี้นะครับขณะนี้พระเยซูทรงประทับอยู่ในสวรรค์ครับคำตอบขณะเดียวกันพรงเป็นผู้ปฏิบัติกิจแห่งสถานบริสุทธิ์ในสวรรค์ เป็นข้อสังเกตนะครับว่าวิสุทธิสถานในสวรรค์ก็ถูกเรียกด้วยว่าเป็นพัพพลาแท้ซึ่งองค์พระวิญ้าได้ทรงตั้งไว้ไม่ใช่มนุษย์ตั้งสิ่งที่ถูกกล่าวชัดเจนตรงนี้ก็ครับก็คือว่าขณะนี้ครับมีพระวิหารอยู่ในสวรรค์ที่เป็นแบบอย่างของพัพพลาซึ่งเคยถูกตั้งอยู่ในโลกนี้ในวิหารนั่นเองพระเยซูทรงปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์โดยเป็น มหาปุโรหิตใหญ่ของเราครับพี่น้องถามว่ามหาปุโรหิตใหญ่ของเราเน้นทําหน้าที่อะไรครับก็คือทําหน้าที่การถวายบูชานะครับกระฐานถวายบูชาเป็นการลบความบาปของเราเป็นการทูลขอให้พระเจ้านั้นได้ทรงยกโทษความผิดความบาปของมวลมนุษยาชาติครับในข้อที่สามของฮีบรูบทที่แปดเราพบว่าเพราะว่าทรงตั้งมหาปุโรหิตทุกคนขึ้น เพื่อให้ถวายของกำนันและเครื่องบูชาด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นที่มหาปุริตผู้นี้ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดถวายเห็นไหมครับผู้เขียนฮีบรูนั้นได้ยกข้อสนับสนุ น, นจากพระคำพี์เดิมว่าพวกปุโรหิตในพระคำพีเดิมตามอย่างของอาโลนนะครับซึ่งเป็นเผ่าเลวีได้ถูกแต่งตั้งให้ถวายของกำนันและเครื่องบูชาที่พับปลาหรือในพระวิหารดังนั้นเองจึงจําเป็นที่มหาปุริตผู้ยิ่งใหญ่ของเราคือองค์พระเยซูคริสต์นั้นจะต้องมีของถวายด้วย ถามว่าของถวายของพระเยซูคืออะไรครับคําตอบก็คือของถวายของพระเยซูคือพระชนชีพหรือชีวิตของพระองค์นั่นเองในข้อที่สี่ข้อที่ห้าครับเพราะถ้าพระองค์ทรงอยู่ในโลกพระองค์ก็จะไม่ได้ทรงเป็นปุริหิตเพราะว่ามีปุริหิตที่ถวายของคำนั้นตามธรรมบัญญัติอยู่แล้วข้อหาปุริหิตเหล่านั้นปฏิบัติตามแบบและเงาแห่งสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ในสวรรค์เหมือนพระเจ้าได้ทรงสั่ง แกโมเสสครั้งเมื่อท่านจะสร้างฟผาว่าดูเถิดจงทำทุกสิ่งตามแบบอย่างที่เราได้แจ้งแก่ท่านบนภูเขาพี่น้องครับมีสองสิ่งที่ผู้เขียนฮีบรูนนำเสนอตรงนี้ก็คือว่าหนึ่งพระเยซูไม่สามารถปณิบัติที่วิหารบนโลกนี้ได้เพราะคำมันจะได้กำหนดไว้ว่าบุริหิตจะต้องเป็นคนตระกูลเลวีพระเยซูไม่ได้เป็นคนตระกูลเลวีนะครับอันที่สอง พระวิหารบนโลกนี้เป็นเพียงแบบและเงาของสิ่งที่อยู่ในสวนเท่านั้นเพราะว่าเมื่อพระเจ้าได้ส่งสั่งโมเสสสร้าง พ, พระพลานในถิ่นท่ว ก, กันดารโมเสสได้รับคําสั่งให้สร้างพระพราตามแบบอย่างที่พระเจ้าได้แจ้งแก่พวกเขาบนภูเขานะครับเพราะฉะนั้นคําว่าแบบแปลนนะครับหรือแปลว่าแบบอย่างนะครับก็คือนะครับแบบแปลนของสถาปนิกครับประเด็นก็คือว่าแบบแปลนสําหรับ พ, บพระพลาบนโลกและพระวิหารที่ตามมา ภายหลังได้ถูกทําตามแบบแปลนทัผพาแท้บนสวรรค์พัะพีข้อที่สี่ข้อทีห้าหมายความว่าอย่างนั้นแสดงว่าเลยครับแสดงว่ามีของแท้อยู่บนสวรรค์ครับและที่อยู่บนโลกนี้ก็คือทําตามแบบอย่างที่เรียกว่าเป็นเงาของขอ ง, ของจริงที่อยู่ข้างบนนะครับในข้อที่หกครับเราจะดูต่อไปในข้อที่หกนั้นผมได้ย้ําเน้นครับจากเมื่อวานนี้แล้วว่าเป็นข้อที่สําคัญที่สุดในพระคัมภีร์ฮีบรูครับ เรียกว่าเป็นคีย์เวอร์ซนะครับเป็นคีย์เวอร์ซเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าคีย์เวอร์สหรือคีย์เวอร์ซนะครับตรงเนี้ยมีความหมายว่าอย่างไรลองฟังดูนะครับพระพีกล่าวว่าอย่างนี้แต่ว่าพระองค์ได้ทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่าเก่าเพราะได้ทรงตั้งขึ้นโดยพระสัญญาอันดีกว่าเก่าปัดนี้พระองค์ก็ได้ตําแหน่งอันเลื่กว่าเก่าพระเยซูจึงทรงมีตําแหน่งอันเลื่กว่าเก่าพี่น้องครับ ความเหนือกว่าของพระเยซูได้ถูกนําเสนอตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงเหนือกว่าในตําแหน่งผู้ริตของพระองค์ในพระวิหารบนสวรรค์เท่านั้นแต่เพราะพระองค์ทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาครับคนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกของเก่าที่ได้ทรงตั้งขึ้นโดยพันยาอันดีของเก่าครับพี่น้องครับแสดงว่าอะไรครับพระเยซูเป็นจุดสําคัญนะครับเป็นเรียกว่าเป็น the focus point เป็นจุดเน้นครับว่าพระองค์ในพระธรรมฮีบรูนั้นพระองค์จะต้องเหนือกว่านะครับเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะ ค, ความเหนือกว่าของพระเยซูที่ได้ถูกนำเสนอมานะครับก็สนับสนุนในเนื้อหาของสองบทต่อไปข้างหน้าพีนงครับคำถามก็คือว่าทำไมพันธสัญญาเดิมนั้นจึงบกพร่องนะในข้อที่เจ็ดครับได้ตอบว่าเพราะว่า ถ้าพันธสัญญาเดิมนั้นไม่มีข้อบอกพร่องแล้วก็ไม่จําเป็นที่ต้องมีพันธสัญญาที่สองอีกผู้เขียนฮีบรูกําลังสรับสนุนว่าพันธสัญญาเดิมนั้นใช่ว่าจะไม่มีข้อบอกพร่องนั่นคือมันจําเป็นที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับเราต้องไม่ลืมว่าผู้อ่านจดหมายฝากฉบับนี้มองพระมีเดิมว่าเดิมนั้นไม่มีข้อบอกพร่องสมบูรณ์แบบแต่เราควรจะเข้าใจนะครับว่าผู้เขียนฮีบรูนะครับ ไม่ได้กำลังบอกว่าพันธสัญญาเดิมนั้นไม่ได้รับการดลใจหรือมีข้อผิดพลาดหรือสอนผิดแต่ฮีบรูกำลังบอกว่าพันธสัญญาเดิมนั้นจำเป็นต้องผูกปรับปรุงหรือยกระดับให้ดีที่สุดดังที่ข้อต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวพันธสัญญาเดิมครับแต่อยู่ที่ผู้รับพันธสัญญาครับคือชนชาติอิสราเอลนะครับ พระเจ้าด้วยพระปัญญาอันไม่รู้สิ้นสุดและยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นได้ทรงประทานพันธสัญญาเดิมเพราะความจําเป็นของชนชาติอิสราเอลในตอนนั้นที่ทรงประทานให้อย่างไรก็ตามเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปจําเป็นที่ต้องมีพันธสัญญาใหม่ครับชนชาติอิสราเอลได้ฝ่าฝืนพันธสัญญาเดิมนะครับทําให้มันเป็นโมฆะพระเจ้าได้ทรงสถาปนาคนกลุ่มใหม่ขึ้นมาคือคริสต์จักรซึ่งเป็นเหตุที่ทําให้ต้องมีพันธสัญญาใหม่นั่นเอง เครับนี่คือคำตอบครับว่าทําไมพันธัญเดิมนั้นไม่ดีเท่าที่ควรเพราะผู้รับพันธสัญญาคือชาวยูวนั้นไม่ได้ปฏิพฤติตามแต่พี่น้องครับเราทั้งหลายซึ่งอยู่ในพันธสัญญาใหม่ครับนะครับไม่ได้หมายความว่าพันธัญเดิมนั้นไม่ดีหรือขาดตกบกพร่องแต่ครับแต่เราสามารถที่จะรับพันธสัญญาใหม่นั้นได้โดยความเชื่อที่เรามีอยู่ผ่านทางพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นพระเยซู จึงเป็นคำตอบของทุกสิ่งอย่างของทั้งสองพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่นั่นเองขอให้ช่วยแล้วนะครับให้เราเข้าใจความจริงที่ลึกซึ้งในวันนี้เพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะเข้าใจพระเยซูว่าพระองค์ทรงทําอะไรในชีวิตของเราเยอะแยะมากมาย ม, า ม, า ม, ามาหาศาลครับพี่น้องครับขอให้ช่วยเราครับในการที่เราจะรู้จักพระเยซูคริสต์ของเราอย่างลึกซึ้งเพียงพอที่เราจะทราบซึ้งเพื่อที่ความทราบซึ้งนั้นจะผลักดันให้ชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนแปลงครับ ในการรับใช้พระเจ้าก็ดีเราจะมีท่าทีที่เปลี่ยนไปในการที่เราจะปฏิบัติต่อก็อื่นก็ดีเราก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไ ป, น ป, ป, นไปขอความรักซึ่งเป็นหัวใจแห่งพันธะใจใหม่นั้นจะครอบคลุมและครอบครองจิตใจของพี่น้องทุกท่านอาเมน